เห็นว่าในขณะที่กำลังพูดอยู่นี้ท่านผู้ฟังใจไม่ได้ฟังแต่ว่าใจนึกลองลอยไปถึงรูปที่เห็นเมื่อเช้าเสียงที่ยินเมื่อเช้าตัวเรา ก็ออกไปกระจิตก็ไปเห็นรูปได้ยินเสียงเมื่อเช้าตาหูเดี๋ยวนี้ที่อยู่กับกายหยาบนี้ก็เลยดับไม่ได้ยินเสียงที่กำลังอธิบายธรรมะอยู่นี่เพราะว่าตาหูไปกับตัวเราที่ไปกระจิตนั้นซึ่งเป็น ตาหูในตาหูในนี่สำคัญมากเมื่อตัวเราออกไปกับจิตตาหูนอกนี่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนอย่างตาบอดหูหนวกอันนี้แหละให้ทุกคนกำหนดดูจะรู้สึกว่าทุกคนมีตัวเราดูอสองชั้นตัวเราที่เป็นตัวหยาบ ที่กาลังนั่งกันอยู่นี่กับตัวเราที่ไปกระจิตยอยู่ทุกแห่งตัวเราที่ไปกระจิตยอยู่ทุกแห่งนี่เมื่อไปไหนก็เอาตาเอาหูไปด้วยตาหูที่อยู่กับตัวเราที่เป็นของหยาบนี้ก็กลายเป็นหูตาบอดหูหนวกเพราะฉะนั้นตัวเรานี่ ที่เป็นส่วนละเอียดนี้ที่เที่ยวไปกับจิตยอยู่เสมอนี้ย่อมเป็นตัวเราที่เป็นชั้นไหนเพราะฉะนั้นทุกคนนี่จึนทอดตัวเราที่เป็นตัวไนนี้ไปกับจิตได้อยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อตัวเราที่เป็นตัวไนออกไป ตัวเราที่เป็นส่วนหยาบ ก, ก็กลายเป็นเหมือนอย่างไม่มีความรู้อยู่ในตัวเหมือนอย่างเป็นศพแม้ว่าจะไม่ตายอันนี้แหละคือเป็นข้อที่แสดงว่ามีตัวเราหยาบตัวเราละเอียด หรือตัวเราที่เป็นกายเนื้อตัวเราที่เป็นกายทิพย์ทุกคนมีอยู่แล้วและมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในการที่จะปฏิบัติให้ได้ศีลให้ได้สมาธิได้ปัญญากันจริงๆนั้นจะต้องควบคุมตัวเราที่เป็นตัวไหนนี้ให้อยู่ไม่ให้ไปไหน จึงจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาต่อจากนี้ก็ขอให้ทำความสงบส่อต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเรื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องตน้น ก, ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระปูมีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรม และประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงประพุทธคุณบทว่าพักวา ในความหมายว่าผู้จำแนกแจกธรรมนำความหมายนี้ได้เป็นที่นิยมใช้ในหมู่ โอปปิบัติธรรมศึกษาธรรมกันโดยมากดังที่สวดแปรบทนี้ว่าพักวาาูอจำแนกแจกธรรม สั่งสอนประชาชนธรรมะที่เราทั้งหลายได้ศึกษาได้รู้ได้ปฏิบัติกันอยู่ก็ได้มาจาก การที่ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนของพระบรมศ า, ศาสดาดังที่เราทั้งหลายได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เข็นรู้จักอกุศลกรรมบททางแห่งกรรมที่เป็นกุศลรู้จักกุศลกับกรรมบททางแห่งกรรมที่เป็นกุศล รู้จักศีลห้าศีลแปดและศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่ารู้จักสมาธิรู้จักกรรมฐาน ที่เป็นส่วนสมถกรรมฐานรู้จักปัญญารู้จักปิปัสนากรรมฐานรู้จักอริยสัจสี่ตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานรวมความว่า รู้จักสัตวุศาสตร์คำสอนของพระศา ส, สดาที่จัดเป็นวินัยปิดกสุตตันตปิดกอภิธรรมอิดกอันเรียกว่าปัจรัยปิดก รู้จักขันอาญตะพาดรู้จักโพชงสติปฐานสสมปทานสอิทธิบาทสอินรีห้าพละห้าโพชงเจดมักมีองค์8 เหล่านี้เป็นต้นก็จกธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจาแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนไว้ถ้าไม่ทรงจาแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนไว้เราทั้งหลาย ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นี่เป็นส่วนปริยัติธรรมและปริยัติธรรมนี้เองก็ ททางปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมแก่ผู้ที่มุ่งปฏิบัติทั้งหลายในด้านปฏิบัตินี้ที่พระองค์ได้ทรงจำแนกไว้ก็ได้แสดงมา ในพระพุทธคุณหมดตน ต, น, ตนโดยลำดับจนมาถึงในความหมายว่าทรงขับกิเลสดับกิเลส ก็คือขับใจหรือดับใจและก็ได้แสดงมาแล้วว่าใจนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อใจไปที่ไหนตัวเราก็ไปที่นั่น และคำว่าตัวเรานี้ก็เป็นคำยกขึ้นกล่าวอย่างง่ายๆตามที่จะพึงเข้าใจกันได้และ เมื่อจะชี้ลงไปที่ตัวเราว่าคืออะไรก็ชี้ได้อย่างหนึ่งว่าคือตัวตัณหาอุปาทานความอยากยึด ว่าตัวเราของเราหากจะถามว่าอยากยึดซึ่งอะไรก็ตอบได้ว่าอยากยึดซึ่งนามารูปนี้เองคือยึดนามารูปว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ของเรานั่นก็เนื่องมาเ จ, จากตัวเราเมื่อมีตัวเราก็มีของเราเพราะฉะนั้นตัวเราก็คือตัวตันหาอุปาทานที่อยากยึดอยู่ในนามารูปและนามารูปนี้ เมื่อแยกออกไปอีกก็คือขันธ์ห้าได้เก็บกองรูปกองเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขกองสัญญาความจำได้ไม่รู้ จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลธพะจำธรรมะเรื่องราวกองสังขารคือความคิดปรุงนรืปรงคิดไปในรูปเวทนาไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะคือเรื่องราวที่จำได้นั้น กองวิญญาณก็คือความรู้เห็นรู้ได้ยินในรูปในเสียงรู้ทราบในกลิ่นในรสในผลพระและรู้คิดในธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลาย พันห้านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความอยากยึดยังเรียกว่าอุปาทานาคันคันเป็นที่ยึดถือก็คือยึดถือว่านี่เป็นของเรานี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณเป็นของเราเราเป็นนี่ ก็คือเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณนี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเราพูดสั้นๆก็คือว่าเป็นที่ยึดวัตัวเราและขันห่านี่ย่อเข้าก็เป็นนามรูปรูปก็เป็นรูป นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตเพราะฉะนั้นนามรูปก็เป็นอุปาทานะนามรูปนามปรรูปเป็นที่ยึดถือดังกล่าวมานั่นและตันหาอุปาทานนี้ก็มังเกิดขึ้นที่ใจ อยู่กับใจเพราะฉะนั้นเมื่อใจอันประกอบด้วยตันหาอุปาทานไปที่ไหนตัวเราคือ น, นามรูปก็ไปที่นั่นเมื่อ ยังมีอุปตันหาอุปาทานนำอยู่ใจอันประกอบด้วยตัณหาอุปาทานนั่นก็ยอมจะเที่ยวไปในเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณ อันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเพราะฉะนั้นตัวเราคือนามนุกก็ไปที่นั่นและเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าว่าสติเป็นเครื่องกัน ป้องกันกระแสของตัณหาอุปาทานทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องละปิดกระแสของตัณหาอุปาทานทั้งหลายก็ปฏิบัติ ทำสติและปัญญากําหนดดูใจนี้ที่เที่ยวไปในเรื่องรูป เป็นต้นดังกล่าวแล้วจนถึงกันได้ป้องกันได้ซึ่งกระแสของตันหาอุปาทานปิดดับกระแสของตันหาอุปาทานได้ เมื่อป้องกันกันปิดดับได้เมื่อใดตันหาอุปท า, านก็ดับไปเมื่อนั้นในเรื่องนั้นเช่นว่ากันป้องกัน ปิดดับได้ในเรื่องรูปนั้นตัณหาอุปาทานก็ดับไปในเรื่องรูปนั้นและเมื่อตัณหาอุปาทานดับตัวเราหรือว่านามโรคที่ไปกับใจใน เรื่องรูปนั้นก็ดับไปพร้อมกับตัวใจเองซึ่งดับไปในเรื่องนั้นสติปัญญาที่ทำหน้าที่กั้นปิดทำหน้าที่ดับเมื่อกั้นปิดได้ ดับได้สำเร็จสติปัญญานั้นก็ดับไปในในเรื่องรูปนั้นก็เป็นอันว่าดับกันไปได้ในเรื่องหนึง่งแต่ว่าเพราะยังมีอาสวะอนุสัยยังไม่สิ้นอาสวะอนุสัย คือกิเลสที่ดองสันดานนอนจมห ม, มกอยู่ในสันดานเมื่อประสบอารมณ์คือเรื่องเกี่ยนเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นขึ้นใหม่อีกอาสวะที่ดองสันดานก็โผล่ขึ้นมาเป็นตัญหาอุปาทาน ในรูปในเสียงอิมาใหม่นั้นใจอันประกอบด้วยตันหุปาทานนั้นก็เที่ยวไปในเรื่องของรูปเสียงใหม่นั้นตัวเรานาะมารู ป, ป้าไปกับใจก็ใช้สติใช้ปัญญาป้องกันกัน ปดับกันอีกและเมื่อทําสําเร็จตัณหาปาทานก็ดับใจก็ดับไปในเรื่องนั้นตัวเรานํามรูปก็ดับไปในเรื่องนั้นตติปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติก็ดับไปในเรื่องนั้นทํากิจสําเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเ ก, ก็นตรัสสอนให้รู้จักว่าเพราะวิญญาณคือใจดับนามรูป ก, ก็ดับสติปัญญาก็ดับดับไปในที่ไหน ก็ดับไปในที่ที่ตัณหาอุปาทานดับที่ที่ใจดับนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นในที่ใดก็ดับไปในที่นั้นใจเกิดขึ้นในที่ใดก็ดับไปในที่นั้น สติปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อดับในที่ใดเมื่อดับแล้วสติปัญญาเองก็ดับไปในที่นั้นด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดในด้านปฏิบัติธรรมจึงมีเกิดดับอยู่ด้วยกันดังนี้ กิเลสก็เกิดดับใจก็เกิดดับตัวเราหรือนามารูปก็เกิดดับส ต, ติปัญญาก็เกิดดับแต่ว่าเพราะเหตุว่ายังไม่เสร็จกิจเพราะยังมีอาสวะอนุสัยกิเลสก็โผล่ขึ้นมาอีกทั้งหมดก็ต้อง เกิดดับกันอีกก็เป็นไปอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดจำแนกแจกธรรมให้เราทั้งหลายได้ทราบในขั้นปฏิบัติทางจิตใจอันละเอียดดังนี้และก็ยังได้กลัดสอนไว้อีกว่า ตัวเราที่ไปกับใจอันประกอบด้วยตัณหนาอุปาทานอันตั้งขึ้นในนามรูปหรือในขันธ์ห้าดังที่กล่าวมานั้น ที่เป็นไปดังนี้ไม่รู้จักจบสิน้นก็เพราะเหตุที่บุคคลซึ่งยังคลองติดอยู่ในโลกทั่วไปเป็นบุทุชน เป็นสามั ญ, ญชนยังมีความเพลิดเพลินยินดีคำหนึ่งถึงโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีต คือล่วงไปแล้วว่าเราได้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้มาในอดีตยังมีความเพลินยินดี หวังถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอนาคตคือที่ยังไม่มาถึงว่าเราพึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคต แม้ว่าจะไม่ได้มีความเพลิดเพลินยินดีคำนึงถึงอดีตหรือหวังถึงอนาคตก็ยังมีความเห็นยึดถือ อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิยานี้เป็นปัจจุบันว่าเป็นตัวเราหรือว่าเห็นตัวเราว่ายังมีรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นว่ามีหรือเห็นว่ามีตัวเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นว่ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวเราก็คือ ยังมีความเห็นยึดถืออยู่ในระหว่างตัวเรากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ